เราทั้งหลายเราตกอยู่ในความเคยชินนะแต่พอทําอะไรที่มันที่เราไม่เคยเราก็รู้สึกว่าไม่สะดวกการปฏิบัติธรรมคือการแก้ไขความเคยชินที่เราเคยชินเดิมๆวันไหนที่มันชินแล้วก็เริ่มมันเป็นอวิชชาอิสระทําให้เราไม่ตื่น การตื่นคือการปรับ <c oughs> ปรับปรุงปรับปรุงสิ่งที่ใหม่ๆให้กับตัวเองเสม อ, อไม่แต่ชีวิตในบ้านเรา ม, มันชินต่อการอยู่แล้วเราไม่ปรับเปลี่ยนอะไรอะไรที่เคยตั้งอยู่ที่เดิมก็ตั้งอยู่ที่นั้นเคยนั่งอยู่อะไรก็นั่งอยอ น, นมันก็เลยจิตของเราก็เลยจมอยู่ในเรื่องเก่าๆ เ, เคยคิดเรื่อง รักเรื่องชังคือคิดแต่เรื่องรักเรื่องชังของจริงมันมีเรื่องอื่นที่ไม่ต้องรักโองชังมากใหม่แต่เราคิดไม่ออกเพราะเราเคยฝึกเราเดินไปข้างหน้าจนชินพอเดินมาถอยหลังเรารู้สึกว่า ย, ยุ่งยากนะทางควาจริงอ็เดินถอยหลังก็ได้นะเพราะฉะนั้นในวิธีการการฝึกแบบนี้ต้องการให้ตื่นรู้ไม่ต้องการให้สงบแบบไม่รู้สวบแบบไม่รู้ก็โมหะคือ ทําให้จิตใจเราอถูกบดบังด้วยโมหะแล้วปัญหาชีวิตก็เกิดขึ้นเพราะเราเคยทําอะไรแบบชินชินพฤติกรรมในการกินแบบเคยกินไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเคยพูดออย่างไรก็เคยพูดอย่างนั้นก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็ทําให้เราตกหลงชีวิตเดิมชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงเคยทุกข์ก็ทุกข์องไรก็ทุกข์อย่างนั้น เคยรูปอย่างไรก็รูป อ, อย่างนั้นเคยกลดอย่างไรก็โกลดอย่างนั้นเคยหลงอย่างไรก็หลงอย่างนั้นทำให้เราแก้ไขตัวเองอลาบากนั้นเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเราจึงเปลี่ยนรูปแบบของการเดินใหม่ๆนั่งใหม่ๆนอนใหม่ๆไปทำอะไรที่มันเราไม่เคยทำทั้งนี้เพื่อเราจะได้ออกจากกรอบของชีวิตเดิมๆได้บ้างเคยนั่งง่วงอย่างไรก็นั่งง่วงอย่างนั้นไม่ไม่ตื่น มันก็เลยชีวิตเลยซ้ำซากน่าเบื่อทำให้ไม่ตื่นตัวเราเคยจนอย่างนี้ก็จนอย่างนั้นดังนั้นการการมาปฏิบัติธรรมคือการแก้ไขสิ่งที่เราเคยเป็นแก้ไขนิสัยใจคอแก้ไขสุขภาพที่มันอ่อนแอให้เข้มแข็งแก้ไขความไม่ ไม่จะเรียบร้อยของร่างกายให้เรียบร้อยมันมีสิ่งอะไรหลายอย่างแทนที่เราจะจมอยู่แต่เรื่องรักเรื่องชังเรื่องเฉยเฉยสามเรื่องเนี่ยเราสามารถออกจากมันได้ไดเราไมา่เราเคยชอบเราอาจจะก็ไม่ต้องไปชอบก็ได้เคยชังอาจจะไม่ต้องชังไปตามนั้นก็ได้เคยเฉยอาจจะไม่เฉยเหมือนเดิมก็ได้นะเพราะฉะนัะ้ น, นการปฏิบัติธรรมต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ไม่ใช่ไปติดสุขติดสบายติดสวรรค์ติดนิพพานอย่างที่เขาพูดแต่มันเป็นการมองหางการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองเราเองเป็นคนเคยขี้เกียจก็เปลี่ยนแปลงให้ขยันขึ้นเราเองเคยเป็นคนขยันเกินไปก็ลดให้มันขี้เกียจลงบ้างห ดังนั้นเรื่องใหม่ๆเหล่าเนี่ยลองหาวิธีการในบ้านเราลองกลับไปดูอะไรที่มันตั้งที่เดิมเะยลองเปลี่ยนมุมตั้งบ้างอ่ามันจะไปบ้านหลังใหม่ขึ้นมาทันทีนะแล้เราย้ายเพียงแต่ย้ายมุมย้ายที่จัดของจัดที่อะไรในบ้านใหม่ในห้องนอนของเราที่เคยมันลกลุงหลังจัดมันเสื้อใหม่ที่เคยมันเป็นยุ่งเป็นใหญเป็น ใครเป็นน้ำให้ลกลุงหลังในบ้านของเราจัดมุมใหม่ให้กับตัวเองชีวิตเราจะเปลี่ยนไม่มีใครมาเปลี่ยนชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองนะแต่การที่จะเปลี่ยนได้นั้นะก็ต้องมาฝึกฝนการเปลี่ยนแปลงนะในการสร้างจังหวะการเดินจงครมถ้าเราไปถู่ความเคยชินมันก็ตกลงเดิมนะพอไปทำให้มันช้าลงแล้วก็มักจะทาให้เป็นละนะ จะนั่งเหมือนกันเคยนั่งพิงก็นั่งเหมือนเดิมนะก็พอเปลี่ยนมาตั้งล้วชักไม่สะดวกละในตรงนี้สังเกตสิ่งเล็กเล็กน้อยๆนะเราเคยขาดอะไรอะไรที่เราเคยมีพอมันขาดปับ๊บเราก็จะงุนหงิดเราก็จะวีดวุนวายนะเราก็อยู่ชีวิตแบบเคยมินมีแล้วก็คอยขาดดูบ้างเป็นอย่างไรนะ มันจะทำให้ชีวิตของเราไม่ไ ม, ไม่ทุกข์ไม่เป็นอะ่ะเพราะมันพบแต่สิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแต่ชีวิตของเราถ้ามันอยู่แบบช้ำรากอะมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่นักเขียนคนหนึ่งเขาพูดไว้เพราะว่าคนสองคนดูตามช่องดูยู่ช่องหน้าต่างคนหนึ่งเห็นพระจันทร์ คือในอช่องหน้าต่างข้างหน้าเนี่ยคนสองคนอยู่ตามช่องเห็นน้ำคลัมเห็นน้ำคลัมอยู่ข้างหน้าหน้านอกบ้านเห็นน้ำป่าน้ำคลัมบ้านสลํมมานะคนสองคนโยนตามช่องคนหนึ่งเห็นพระจันทร์ผองอัมไพแต่คนหนึ่งเห็นแต่น้ำคลัมดาพิปปีมองออกไปช่องหน้าต่างเดียวกันมันเป็นป่าน้ำคลัมนึกภาพออกไหม แต่คนหนึ่งเรามองมองตอนตอนพระจันทร์ขึ้นเราเห็นพระจันทร์ในน้ำคลําแต่อีกคนนึงมันก็เห็นแต่น้ําคลําเหมือนเดิมเพราะมันมองแต่น้ําคล้ำแต่ไม่เห็นพระจันทร์แต่ในในบ่อน้ําคล้ำมันมีพระจันทร์อยู่ด้วยแต่มองไม่เห็นแต่อีกคนนึงมองเห็นพระจันทร์แต่ไม่ไม่เห็นน้ําคล้ำผ่านทะลุน้ําคล้ำไปแต่คน ored, มองเท่าไหร่ม morning, chairman, ันก็เห็นแต่น้ําคล้ำ <ans un ira Total> จิตมันก็จะคิดแต่เรื่องน้งคำคําสีดําๆมองไม่ทะลุแต่ในนั้นมีน้ําคำอยู่เลยเรานั่งอยู่ตรงนี้เรามองเห็นพื้นบางคนก็มองเห็นแต่พื้นแต่บางคนเห็นแสงไฟทะลุลงไปในพื้นนั่นด้วยภาพมันมีหลายมิติใช่ไหมคนบางคนดูกายก็เห็นแต่กายแต่ลึกลงไปในกายมันมีความรู้สึกอะไรเยะแยะเลยเย็นร้อนอ่อนแข็งแข้งตึง สบายไม่สบายพราะนั้นนั่นเร็วทะลุทางโลกเนี่เขามองทะลุแค่สามิติเนี่ยแต่นางธรรมเนี่ยเข้าไปถึงหกมิติมองเห็นรูปปรากฏการในรูปมองเห็นรูปนอกๆ น, นี่เป็นหนึ่งมิติไล้ใช่ไหมแต่ในรูปมีอะไรบ้างหนักเบาสบายไม่สบายเป็นสองมิติละอ่ามิติที่สามมันมีความรู้สึก สบายความรู้สึกชอบไม่ชอบความรู้สึกเย็นความรู้สึกสงบไม่สงบเป็นสามมิติแล้วแต่ในความชอบไม่ชอบสงบไม่สงบมันมีอารมณ์ที่ดีและไม่ดีอยู่ในนี้ด้วยเป็นสี่มิติอนะฮะแล้วก็มิติรอบๆข้างเราเป็นห้ามิติและสิ่งที่กําลังเกิดครอบคล้างอาการสิ่งที่เกิดร อ, รอบๆข้างเราเป็นมิติที่ห้าที่หกไป เพราะฉะนั้นเราจะต้องเริ่มจากมิติที่หนึ่งจากตัวเราเองเนี่ยดูทะลุเข้าไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นจากดูที่กายเห็นในกายดูที่จิตเห็นอาการในจิตดูที่อารมณ์เห็นอาการในอารมณ์ซึ่งอันนี้บางครั้งบางคนก็ฝึกยากนะเคยฝึกมาแล้วยังไงก็เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะตกลงตกลงในความรู้สึกเดิม บางคนปฏิบัติทํามาห้าครั้งสิบครั้งหรือตั้งหลายปีก็ยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ยากอยู่นะเขาเรียกเป็นวิบากที่มันบังเราอยู่ดังนั้นจึงอยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่เคยชินที่ขาดสตินะให้มีความตื่นตัวตื่นรู้ มันคนตื่นตาตื่นใจในสิ่งใหม่ๆรอบข้างอยู่เสมอบ้านที่เราเคยอยู่ถ้าเราตื่นรู้จริงๆมันจะเป็นบ้านหลังใหม่ขึ้นมาทันทีนะของใช้ที่เก่าๆพอเราตื่นตื่นรู้ขึ้นมามันเป็นของใหม่เอออันนี้มันไม่ใช่นิยายนะเป็นเรื่องจริงอย่างนะั้นอาจารย์ชุเมโตเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาท่านเล่าไว้ในเสืองท่านว่า นั้นปฏิบัติกรรมาฐานมาตั้งนานวันหนึ่งพอมันเกิดการตื่นรู้ขึ้นมาท่านเห็นความสวยงามของหัวซ่วมที่เขาไปนั่งทายทุกวันน่ะไม่ไม่เคยเห็นความสวยงามของมันแต่วันนั้นได้เห็นหัวซ่วง ม, มันสวยงามมากวับวาเป็นพิเศษเลยว ง, งั้นตั้งแต่นั้นมาท่านก็เลยทําเข้าซ่วมก็เลยทําความสะาดซ่วงให้สวยอย่างที่ท่านมันเห็นครั้งแรกอะ่ะแล้วมองอะไรเป็นใหม่หมดเลยชีวิตเลยเปลี่ยนแปลง เพราะนั้นการตื่นรู้ขึ้นมาเกิดขึ้นวันไหนเนี่ยเราเห็นของเดิมนี่นแหละแต่มันใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงมันใหม่อยู่ที่ไหนที่ใจของเราใจของเราที่มันถูกเปลือบของอวิชชาคือความเพลินความเคยชินความไม่รู้มันมันครอบงําอยู่หรือเหมือนไข่ที่แม่มันไข่ออกมาแล้วก็กบ พอถึงวันหนึ่งมันโกกเป็นไปจำเวลามันฟักนะนะพอถึงวันหนึ่งไข่เปลือกไข่เริ่มแตกออกสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาคือเป็นตัวไก่เมื่อก่อนเป็นไข่กลมๆทิง่งไปวิ่งมาแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นลูกไก่ที่ที่ขานได้ที่วิ่งได้ที่บิน ไ, ได้ในเวลาต่อมาใจของเราก็เหมือนกันเมื่อก่อนเื็ความเคยชินเก่าๆแต่พอเราม่ใช้สติ สัมผัสาที่เราบ่มเพาะทุกวันทุกวันเนี่ยรักษาจิตประคองจิตอยู่หนปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันเหมือนแม่ไก่ที่มันกบอยู่ในรังไข่อารมณ์อดีตอนาคตเหมือนแม่ที่มันโดดโผออกจากรังไปหามาหากินน่นแลแล้วกลับมากบใหม่กลับมากบใหม่ทุกวันปรากฏว่าไม่นานไข่ที่มันกบมันเปลี่ยนแปลงคือจาก ไข่กลมๆออกมาเป็นไก่เป็นลูกไก่เป็นไก่โตขึ้นมาโตขึ้นมาจนบินได้ตรงขันได้ใจของเราเหมือนกันที่มันถูกความเคยชินครอบงําเนี่ยถ้าเราไม่เคยฟู้งฟักไม่เคยเฝ้าดูมันเนี่ยเราก็เหมือนไข่ที่เขาไข่มาแล้วมันมันขายอะ่ะสําหรับขายอะออกมาเท่าไหร่เขาเก็บไปต้มกินหมดออกมาเท่าไหร่เขาเก็บไปเป็นอาหารหมด ถ้าจิตของเราไม่เคยฟูงฟักไม่เคยรักษาไม่เคยเอาสติสัญญาไปกบมันนะจิตของเราก็จะถูกกิเลสมันตอกมันต้ม อ, อยู่ยงั้นนะไม่ไม่มีที่สุด ช, ชัดนี้ถูกต้มอย่างนี้ความรักมันถูกต้มเรารักต้มเราอย่างนี้ความชังมันต้มเราวิชันชาติต่อไปมันก็จะเป็นอย่างเนี้เขาเรียกวัาต่าสงสารเวียนใจเวียนเกิดเวียนทุกข์เวียนนะไม่เคยเปลี่ยนแปลง น, นการมากรรมฐานมาวิปัสสนาคือการมาฟูงฟัก มารักษามาเฝ้าดูให้จิตของเราที่มันเคยชินเนี่ยเกิดการเร่าร้อนเหมือนแม่ไก่ที่มันฟักอุณหภูมิจากอกของแม่ไก่เนี่ยมันทําให้ตัวเปลือกไข่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าตัวไข่ในไก่มีการเปลี่ยนแปลงจากไข่ธรรมดาไข่ข า, ขาวไข่แดงธรรมดามันกลายเป็นตัวไก่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นดุขึ้นมานี่ความเป็นธรรมชาติในตัวของธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง แม้แต่ผลไม้ที่มันเกิด อ, อยู่กับพี่ น, น, นานๆมันก็ไม่ได้อยู่กับที่จากดอกเป็นลูกเล็กๆจากลูกเล็กเป็นลูกโตจากลูกโตเป็นลูกหนุ่มจากลูกหนุ่มเป็นลูกแก่จากลูกแก่เป็นลูกสุกสุกมาแล้ววันหนึ่งมันตกลงมาใต้ต้นเม็ดมันเปลี่ยนเป็นต้นใหม่ขึ้นมานาเห็นวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงแต่ความสืบสอต่ตอเนื่องของการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนา ดังนันเราจะเป็นคนเคยชินเหมือนเดิมจ ะ, ะเคยหลงก็หลงเหมือนเดิมเคยรักพอใจก็พอใจเหมือนเดิมเคยเสียใจก็เสียใจเหมือนเดิมเนี่ยมันมันเป็นล่องเดิมอ่ะนะดังนั้นต้องมีการฝูมฟักด้วยกันตั้งใจเฝ้าดูกายเฝ้าดูใจต่อนื่สมณเนรแยกกันสมณเมนรสมณเนรได้ยินไหม หลวงพ่อพ right. <group> <mushrooms> ูดได้ยินไหมแยกมาอยู่ตรงนี้สี่องค์อยู่ตรงนั้นสองค์นั่งห่างกันแยกมาทั้งนี้แยกมาทั้งนี้ได้ยินไหมสี่องค์เอานั่งห่างกันทั้งนี้นั่งห่างกันโครวานั่งห่างกันวันละหนึ่งวานเอามาสมเณนก็มาได้ยินหลวงพ่อเหมือนกันเห็นไหมพูดเสียงจะหลายหลายวดไหลไปเนยไม่ได้ยินเลยเห็นไหมาะไม่ได้ฟังนั่งตั้งใจฟัง สร้างจังหวะนั่งห่างกันหนึ่วาร์นั้นเราจะเห็นว่าความเคยชินเนี่ยเป็นอันตรายมากๆเลยถ้ามันไม่ตื่นนะห่างกันหนึ่งวาถ้ามันไม่ตื่นทํายังไงก็ไม่ตื่นมันไม่ถึงเวลานะหน้าที่ของเราก็คือฟูฟักเฝ้าดูเรียนรู้ในกายในใจของตัวเองไปเรื่อยๆ ไม่ว่าเราไม่ใช่ว่าจะตอนมาเฝ้าดูตอนที่มานั่งปฏิบัติที่นี่นะกลับไปบ้านก็เช่นเดียวกันตามดูอาจจะไม่ต้องนั่งทําอะไรนานแต่การที่จิตของเราไปตามดูตามรู้การกระทําเรื่อยๆนี่คือการฟูฟักฟูฟัฟกไม่ให้จิตมันวิ่งไปตเตลิดในอดีตในอนาคตนะ่ะถ้าจิตไปตเตลือไปอดีตอนาคตไปจะเหมือนแม่ไก่มันวิ่งออกจากกรังแล้วทิ้งไข่เอาไว้ แล้วไข่ใบไหนที่แม่ไก่มันกบไม่ถึงหรือกบไม่เนี่ยมันจะไม่ออกลูกนะเพราะนั้นไข่ล่างหนึ่งสิบลูกเนี่ยบางทีมันออกไม่ครบหรอกแต่ไก่ตัวไหนที่มันออกคั้งแปดลูกเก้าลูกสิบลูกขึ้นไปมันก็มีอนาคตอยู่ได้นานแต่ไก่ตัวไหนฟักออกมาทีไรมันแค่สองลูกสามลูกแล้วมันเสียไปจนแปดลูกเก้าลูกอนาคตไก่ตัวนั้นอยู่ไม่นานแล้วเจ้าของต้องพิจารณาเนะ ว่าเออไก่ตัวนี้เลี้ยงลูกไม่ดีฟักลูกไม่เป็นสมควรที่จะเป็นอาหารใจของเราเหมือนกันถ้าหากสติสัมยาของเราไม่ได้ทําหน้าที่เหมือนแม่ไก่นะคนคนนั้นก็ไม่สมควรที่จะมีชีวิตที่ดีไม่สมควรที่จะมีชีวิตที่ใหม่ไม่สมควรที่จะมีชีวิตที่ก้าวหน้าจะต้องตกเป็นทาสของความทุกข์กระทบขมขืนความทุกข์ทรมานตลอดชีวิต เราเรียกว่าวิบากกรรมวิบากกรรมขื้นก็คือลืมลมือลืมตัวไม่กลับมาดูตัวเองแค่นั้นน่ะอย่าไปโทษว่า อ, อชาติแล้วเคยสร้างบาปสร้างกรรมอะไรที่มันแล้วไปก็คือแล้วไปอ่ะแต่สิ่งใหม่ที่เราจะต้องแก้ไขนี่สําคัญกว่านะบางคนก็ไปติดจมเขาเคยทําชั่วทําไม่ดีงุ่นมาก็เอาเรื่องเก่ามาคิดเอ่านั่นเาเรียกว่าตกลงเดิมเอาเอาเรื่องเก่ามาทําลายตัวเองอ้าคนเราเกิดมาถ้ายังไม่ได้ฟุ้งฟักไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษา มันก็เป็นเหมือนกันทุกคนอะ่ะทําตามกิเลสทําความชั่วทําไม่ดีมาเหมือนกันทุกคนอะ่ะแต่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบว่าชีวิตนี้มันใหม่ตลอดเวลาเพียงแต่รู้จักแก้ไขถ้าไม่รู้จักแก้ไขชีวิตก็เก่าตลอดเวลาแล้วเป็นเรื่องเอานําเรื่องที่ไม่ดีเก่าๆมาทําร้ายตัวเองอันนั้นไม่ใช่คนอ่าไม่ได้คนพัฒนาตัวเองแล้วคนๆนั้นก็จะทุกตลอดชีวิตอ่ะทุกทุ ก, ท, กทรมานเพราะคนไม่จึงต่างกันบางคนจะพัฒนาเท่าไรเท่าไรก็ไม่ขึ้น่ะ แลา ว, วิบากเพราะว่าความตื่นรู้ไม่มีโอกาสได้ฟูงฟักไม่มีโอกาสได้พัฒนาแต่บางคนที่ร้ายไปกว่านั้นมีโอกาสได้ฟูงฟักมีโอกาสได้ฝึกฝนแต่ไม่เปลี่ยนแปลงเอออันนี้วิบากกรรมจริงๆต้องปล่อยตามปล่อยตามกรรมล ะ, ะปฏิบัติก็ปฏิบัติแล้วฟังธรรมก็ฟังแล้วฝึกฝนก็ฝึกแล้วแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงน่ะไอไขวิทยาศาสตร์นี่เขาไปฟักออกลูกไหม ใครเคยมึงใครเคยฟักไข่ไข่ที่เป็นไข่วิญสารมัาานเอาไปฟักออกไหมไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวเวลาพูดกับพระเขาจะยกมือรับอย่างเงี้ยแล้วไม่สั่นหัวนะ <c oughs> เรายังไม่ได้ฝึกเรื่องนี้นะเวลาพูดกับว่าไข่ที่เป็นวิญญา์ามันออกลูกไหม <c oughs> ไม่ออกขอรับอ่าเราก็จะยกมือรับแบบนี้นะอันนี้จำเอาไว้เวลาพูดกับพระ เออนั่นก็เหมือนกันบางคนมันเป็นเหยื่อของกรรมนะ่ะเหมือนไข้วิญญาสตร์เอาไปอบรมเท่าไหร่มันก็ไม่ดีขึ้นก็ต้องปล่อยให้เขาเอาไปต้มความรักเอาไปต้มคนรักเอาไปต้มคนชังเอาต้มมีอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เลยวิบากโดยแท้นะก็สมควรที่จะทุกข์ทรมานอย่าไปไปอ้างว่าโลกซ้ำกรรมสัดวิบัติเป็นไม่ได้แต่ว่าเราทําเราเองดังนั้นถ้าเรามาค่อยสู่สถานที่ปฏิบัติได้มีโอกาสได้ปฏิบัติแล้ว ดังไรต้องเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงถือว่ากรรหนักก็แล้วกันนะก็ต้องสมควรที่จะต้องป่วยต้องเจ็บต้องตายไปตามวิบากกรรมมาช่วยอะไรไม่ได้นะดังนั้นให้มีการเปลี่ยนแปลงในการปรับตัวเองให้พัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันเคยกินอย่างนี้เคยนอนอย่างนี้เคยทําอย่างนี้ก็ต้องปรับดูอันไหนรู้สึกว่าเออมันขอให้เกิดความ ตื่นตาตื่นใจให้เกิดความสดชื่นสนุกสนานในใจอยู่เสมอเสมอเออนั่นนะถูกต้องแล้วอันไหนที่มันเกิดความเหงาความเศร้าความเซ็งความเบือ่อความขี้เกียจความอึดอดัดความคับข้องนั่นแสดงแล้วเราไปตกไปอยู่ล่องเดิมของชีวิตแล้วข้อสังเกตนะถ้าความรู้สึกเรารู้สึกโศกเหงาเศร้าตศมไม่พอใจอึดอดัดขัดเครื่องขั ด, ข ด, ขดแยง้ง อ่าวาเวเงียบเงานั่นสแสดงว่าจิตเราตกไปสู่ในล่องเดิมละไม่ตื่นให้ให้ให้รู้สึกตื่นตัวขึ้นมาทันทีอย่าไปยอมจำนนกับไอภาวะแบบนั้นเพราะจริงๆของเรามไม่เป็นอย่างนั้นแต่ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะเรายังไม่ตื่นตัวเราต้องปลุกตัวขึ้นมาให้ตื่นขึ้นมามันคนนั่ง น, น, นานๆน่ะพอมันเพลินปับ๊บมันก็จะนิ่งพอนิ่งปับ๊บมันจะง่วงพง่วงปั๊บจะเ ง, ง, ะงา เพอรู้ตัวขึ้นมาเอ้าเราทำไมมันไหลมาถึงขนาดนี้แล้วเพอรู้ตัวว่าเราหลับไปแล้วนี่หมายความว่าเราอยู่กับอาการลืมตัวมานานแล้วหลายนาทีแล้วเนี่ยแต่ว่าเพราะเรามีครูบาอาจารย์มีพี่เลี้ยงคอยเฝ้าดูอยู่ก็ค่อยค่อยเตือนว่าเออกำลังง่วงนะกำลังเหงานะกำลังนิ่งนะก็ปลุกตัวให้ตื่นอันนี้คือประโยชน์ประโยชน์ของกรารมิตรเราอยู่บ้าน เราไม่มีกระยะมิค่อยเตือนกันบางทีเราเผลอไปตั้งนั้นก็ไม่มีใครบอกว่าเราเผลอแล้วนะแต่นะมามาสถานที่ปฏิบัติมันดีตรงที่ว่าพอเราเผลอไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ในอาศัยตาและอยู่ในการดูแ ล, แ ล, ก, แลก็เราก็เผลอน้อยเพราะว่ามีคนคอยเตือนอันนี้คือประโยชน์ในการเข้าปฏิบัตินะแต่พอเรากลับไปบ้านเนี่ยไม่มีใครมาบอกมาเตือนมาแนะเราเนี่ยเราก็ไปตามความเคยชินของเรา ดังนั้นเราก็พยายามฝึกให้ให้รู้ตัวบ่อยๆเผื่อกลับไปบ้านเวลาเกิดอไป น, นานๆจะรู้ตัวของเราเองเพราะไม่มีใครเคยบอกเราได้ในช่วงนั้นนะเราจะต้องเตือนตัวเองละนะจงเตือนตนด้วยตนเองถ้าตนเองเตือนตนเอ ง, เองไม่ได้ใครจะเตือนนะดังนั้นเวลาฝึกเราพยายามฝึกให้ตื่นรู้บ่อยๆเวลาเรานั่งแช่เปน็นนานๆมันมีความเพลินเข้ามาให้รู้ว่า ผิดสังเกตแล้วไม่ใช่ไม่ปกติแล้วนะหรือนั่งแช่ไปนานๆมันมันเพลินใจลอยไปเรื่องลืมตัวเดินแบบลืมตัวนะเราก็จะเข้าไปสู่ความเผลอละนะดังนั้นการปฏิบัติจะทำให้เราตื่นตัวพุทธเจ้าเมื่อก่อนท่านก็เหมือนเหมือนเรานี่แหละนะทุกคนเหมือนกับที่พพุทธเจ้าเคยเป็น ก็คือเผอคือเพลินคื อ, คอสุขคือทุกประจําเรื่องจําราวแต่พอท่านมานั่งบ่มเพราะใจของตัวเองเพียงคืนเดียวนะแต่ท่านเผอขนาดออกออกบวชแล้วเพื่อที่แสวงหาการตื่นรู้นะแต่ท่านา ย, ยังเผอไปตื่นรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางตั้งหือเผอไปนั่งหลับคิดว่าจะไปทางตื่นรูนะ้เนี่ยตั้งหกปีอ่ะท่านออกบวชยี่บเก้าแต่ท่านมาตื่นรู้จริงๆในคืนวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนหก ก่อนพุทธศักราช80ปีถึง45ปีท่านมาตรัสรู้พันศาที่35ท่านดอกบวชอายุ29มาตื่นรู้อายุ35หลังจากตื่นรู้แล้วท่านก็เอาเรื่องนี้มาสอนเราจึงเรียกว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมต้อง ต้องลวงไทยว่าด้วยธรรมนะโคตื่นรู้เบิกบานด้วยด้วยเหล้าด้วยยาด้วยยาเสพติดก็มีเยอะให้ตื่นรู้เหมือนกันใช่ไหมยาเสพติดทั้งหลายเนี่ยปลูกให้ตื่นรู้เหมือนกันน้ำชากาแฟาก็ปลูกให้ตื่นรู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ด้วยธรรมนะด้วยสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมเหมือนกันแดังนั้นเราโชคดีนะที่ได้เข้ามาคอเข้ามาปฏิบัติครั้งนี้แต่ที่นี้เราจะทำไงโชคดีอันนี้มันจะตามเราไปที่บ้านด้วย นั่นก็คือในช่วงที่เราปฏิบัติแต่และ ว, วันเนี่ยให้ตามรู้ตัวเองอย่างตื่นรู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่นั่งนานมันไม่ตื่นก็ลุกขึ้นเรามีทางเลือกถึงสิบสามสิบสี่ท่าใช่ไหมที่เราว่าวิธีที่จะให้เราตื่นรู้นะ่ะคือวิธีเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆนะเมื่อได้รู้ว่าเผลอรูรวกเพลิน ร, ร, ร, รู้ว่าจะสงบละเปลี่ยนแปลง นั่งทำไปทำไมรู้สึกว่ามันจะเผลอมันจะเผลอมันจะแช่แล้วเปลี่ยนแปลงมันมีถึงสิบทางออกที่กำหนดไว้ถึงสิบสามสิบสี่ทางใช้ได้เลยนะไม่ต้องกลิงใจนั่นคือวิธีที่จะให้ตื่นรู้ยืนเดินนั่งนอนยี บ, บทเล็กอีกอมากมายทีนี้เวลาเดินไปไหนมาไหนก็เหมือนการเดินเข้าห้องน้ำเราอย่าเอาใจไปไว้ในห้องน้ำนุ้น แต่ละเอาใจกับกายเดินไปด้วยกันด้วยเท้าแต่ละก้าวที่เหยียบลงให้สัมผัสลงไปชัดๆอย่าไปมองไปข้างหน้าไกลเป็นไปมองที่จังหวะที่ข้างหน้านะบางคนติหนี่ใสเวลาจะไ ป, ไปทำอะไรที่มองแต่ข้างนอกเล็กๆก ข, ข้างหน้าของตัวเองมองไม่เห็นมาถึงได้เตือนบ่อยๆบางคนนะเพราะว่าจิตส่งออกยังเคยชิน ที่หลวงพ่อดูลบอกว่าจิตทรงออกเป็นสมุทัยจิตกลับเข้าในเป็นนิโรธแต่เข้าในมีสองอย่างนะหนึ่งเข้าในลึกเกินไปก็เป็นสมุทัยเข้าในลึกเกินไปเป็นสงบเป็นนั่งหลับตาสงบเป็นสมาธิอันนั้นเขาเรียกว่าลึกเกินไปเป็นสมุทัยให้เกิดทุกข์คือโมหะเพราะความไม่รู้นะแต่พระเทียนใช้คําว่าเอาจิตมาไวใใ้ใกล้ๆคาว่าใกล้ๆตัวเองคือคือรู้นิรุตตัวกําลัง ทำอะไรอยู่รูนนี้วตัวเครื่อจิตมาไว้ใกล้ๆลึกเกินไปก็ไม่ ไ, มได้เป็นอาจักริมถานุโยกส่งออกนอกเกินไปก็เป็นกามาสุขานิการโยคมันเป็นทั้งสองอย่างเลยนะแต่พอเอามาไว้ใกล้ๆเป็นมัชชิมาปฏิปทาเอามาไว้ใกล้ๆตัวเองเอาจิตมาไว้ใกล้ๆคือไม่วางลึกเกินไปและไม่วางไกลเกินไปลึกก็เป็นสุดตรงทางหนึ่ง ไกลออกตัวไปก็เป็นสุตรงทางหนึ่งพอมาไว้ใกล้ๆเนี่ยเป็นมัชชีมาปฏิปทานะฉะ น, น, นั้นเองให้ให้ไปปรับอย่าหลับตาเวลานั่งปฏิบัติลืมตากว้างๆหายใจลึกๆเพราะตาเป็นหน้าต่างที่ให้เปิดรับปัญญาอีกทางนึงปัญญาจะเข้าสู่ตัวเรามันหกทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจถ้าเราปิดทวารใดทวารหนึ่งปัญญามันจะหายไป20เอร์ซนตแล้วเราก็จิตของเราก็จะน้ำมาเปรียบเสมือนว่าหลอดไฟ สว่างสว่างนะลองเอาสติ๊กเกอร์สีดำไปปิดมันทั้งหมดไฟสว่างทั้งดวงมันจะหายไปเลยนะแต่พอเราเลิกสมมุติเราแบ่งเป็นห้าสิก็แล้วกันไอตัวสติ๊กเกอร์แบ่งเป็นห้าชิ้นเราปิดหลอดจนมิดเลยห้าชิ้นนี่นะด้วยหกชิ้นก็ได้เพราะอายตนะหกแล้วทีนี้เราอยากจะดูแสงสว่างมาันก็ดึงเกลียวทีลชิ้นแสงสว่างโผลมา ถ้าหลายยี่สิบเปอร์เซ็นต์จนกระทั่งเอาออกหมดแสงสว่างเต็มดวงใจเรามืนกันมันจะสว่างได้ตาต้องเปิด20เอร์เซ็นต์ละหูต้องเปิดจมูกลิ้นกายใจอย่างละยี่สิบเอร์ซมันก็จะปัญญาจะเข้าครบเพราะฉนั้นบางคนที่ปฏิบัติสมถนามา น, านทำไมจึงบรรลุทําไม่ได้เป็นอริยะภูมิไม่ได้เพราะอะไรเป็นแค่ภูมิภูมิเพราะปัญญาไม่สมบูรณ์เพราะโมไปติดสงบไปติดหลับตา เป็นสมาธแต่พอเป็นวิปัสนาแล้วเขาตามหูจมูกลิ้นกายใจมันเข้มแข็งมันสู้อารมณ์มองเห็นตามองเห็นหูได้ยินจมูกดมก ล, ลิ่นลิ้นริมลิ้นรดกายสัมผัสใจรับรู้ในสิ่งที่เกิดตามความเป็นจริงนั้นปัญญามันเกิดแล้วปัญญาก็จะสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นถ้าคนถือนชอบนั่งหลับตามก็ช้าลงช้าลงช้าลงเพราะอะไรเพราะปัญญาที่เข้าไปมันช้ามันไม่เต็มสักทีหนึ่ง นะถ้าเราหลงไปติดสงบเพราะฉะนั้นพวกติดสงบเป็นสมถะทั้งหลายจึงเป็นอริยะไม่ได้ไปสู่แค่พรมคือติดสงบแล้วพรมนี่อายุยาวนานที่สุดเป็นหมื่นเป็นแสนปีนะไม่ได้ไปเกิดไปนี่เขาว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดมาเั้นเถอะเพราะว่าไปติดไปติดสงบติดสุขอ่านั้นเขาก็ที่เขาแช่งกันเอ อ, อย่าได้ผุดอย่ได้เกิดเออก็เข้ามาถึงพรมนะเพราะว่าเวียนว่ายได้เกิดอยู่ในแต่ความ ความสงบติดความสงกอย่างนั้นมันช้านะเพราะนั้นเองในแต่ละวันขอให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วเคยง่วงก็แก้ง่วงให้เป็นเคยฟุง้งแก้ฟุ้งให้เป็นเคยเบื่อแก้เบื่อให้เป็นเคยสงสัยแก้สงสัยให้เป็นเคยอึอดอัดขัดเคืองแก้ให้เป็นแก้ไม่ยงั้นนะ่ะ จนบ่อๆการแก้ไขตรงนี้ท่านเรียกว่ามัดมักคือการแก้ไขแล้วผลออกมาทำอะไรเป็นความไม่สงบทั้งหลายก็จะนิโรธคือดับไปเหลือแต่การตื่นรู้ความสงบเหมือนหลอดไฟที่ยังไม่ได้เปิดแต่การตื่นรู้เหมือนกับหลอดไฟที่เปิดแล้วมันจะต่างกันเป็นหลอดไฟเหมือนกันดวงใจเดียวกันดวงใจที่สงบเหมือนดวงไฟที่ยังไม่ได้เปิด ดวงใจที่ตื่นรู้เหมือนดวงไฟที่เปิดแล้วมันสงบแล้วมันสว่างมันใช้งานได้สงบแต่ไม่สว่างใช้งานไม่ได้นะนั่นเองในมิติที่เรานำมาเสนอเนี่ยจะทำให้เราตื่นรู้ทั้งกายทั้งใจสุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นคนไหนเจ็บป่วยสุขภาพอ่อนแอถ้าทาในมิตินี้จะเข้มแข็งขึ้นโรคภาระเจ็บหายไปหรือเป็นก็เป็นน้อย คนไหนที่เคยตกเป็นทาสของยาไปหาแต่หมอเนี่ยก็จะพฤติกรรมนี้ก็จะหายไปเพราะอะไรเพราะมีการแก้ไขบำบัด ต, ตัวเองแต่หมายถึงว่าเอาไปทำอย่างนี้ที่บ้านนะไม่ใช่ว่าพอกลับไปบ้านก็ลืมหมดอันนี้ก็เหมือนเดิมนะกลับไปสู่ร่องเดิมมาม า, มาอบรมก็เหมือนไม่ได้มาแต่เอาสิ่งที่เรามาอบรมหกเจ็ดวันเนี่ยไปทำต่อที่บ้านชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยไม่มากก็น้อย แล้วคนรอบๆข้างเราเนี่ยเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราว่าเราเคยชู้ชี้ขี้บ่นเรากลับเป็นคนสงบเราเคยเป็นคนเก๊กะไม่ไม่เรียบร้อยเรากลับเป็นคนที่เรียบร้อยเราเป็นคนขี้เกียจกลับเป็นคนขยันเราเคยเอาแต่ใจกลับเป็นคนที่ฟังรู้จักฟังเหตุฟังผลอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไปที น, นิดนิดนี้อันนี้คือคือมิติแรกของอานิสงส์การปฏิบัติ คนไหนสุขภาพดีสุขภาพดีก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคนไหนสุขภาพไม่ดีก็จะพยายามแก้ไขรู้จักวิธีแก้ไขเพราะนั้นปัจจุบันนี้เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะแต่ละคนเนี่ยพกยาไม่มากก็น้อยละนะ่ะน้อยคนมากที่จะไม่ไม่พกยานะเั้านั้นก็ขอให้เราได้มั่นใจว่าวิธีการนี้จะช่วยได้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตโครงสร้างอาหารที่เราเคยกินเปลี่ยนแปลง นะแล้วพฤติกรรมต่างๆในการใช้ชีวิตที่เราเคยชินมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในบ้านในห้องนอนในครัวนะบริเวณบ้าน <c oughs> จะมีการปรับเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอาทิตย์ในมุมของบ้าน ท, ที่คนในบ้านเขาก็จะเออมันดีนะเขาก็จะเกิดการตื่นตัวเขาก็จะเกิดการเรียนรู้จากเราเราก็มีโอกาสได้แชร์ได้แบ่งปัน ในประสบการณ์ของเร า, ข เ, ราเขาเออทาอย่างนี้นะชีวิตของเราจะเปลี่ยนอย่างนี้พาเขาเดินจุกลมพาเขาปฏิบัติทุ่ๆวันนี้เรียกว่าเป็นการช่วยพูทีเจ้าช่วยผู้ทีเจ้าคือไม่ต้องไปทําอะไรมากก็คือทําตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยถือว่าได้ช่วยเผยแพร่พุทธศาสนาละทําเป็นตนตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีถือว่าได้ช่วยพุพทธศาสนาได้ช่วยเผยแพร่พุทธศาสนา คือทำตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนให้กับคนในครอบครัวนะแล้วคำสอนของพระรูเจ้าที่มีอยู่ในตัวเราเนั่แหละมันจะเป็นการเผยแพร่ไปในตัวนะนั่นเองในวันนี้ตามที่ได้ทราบว่าช่วงสักแปดโมงจะมะีรถทำถนนเข้ามา บวมาอาาัดถนนให้ใหม่เพราะว่าฝนตกลงมามันทำให้เละอะเทอะเฉยแฉะไม่สะดวกเขาก็จะมาอัดมาบดให้ใหม่ก็ในช่วงตั้งแปดโมงคือหลังจากที่รับอาหารแล้วเนี่ยเราจะไปปฏิบัติรวมกันที่บนเจดีซึ่งก่อนถึงเวลานั้นคือหลังจากทานอาหารเช้าแล้วเนี่ยโยมผู้ชายก็จะไปช่วยเคลียร์พื้นที่ตรงนั้นให้ ให้ดีขึ้นนะขยับขยายที่ให้กว้างขึ้นเอาเสือเอาเสือไปปูเอาอาสนะไปปูเราก็คงจะนั่งปฏิบัติร่วมกันที่นั่นในช่วงเช้าถึงเพนนะแล้วในช่วงเพนเราก็าคงจะเสร็จแก ว, ว่าเขาปรับถนนปรับอะไรแถวแถวนี้คงจะเสร็จในช่วงบ่ายเราก็มานั่งปฏิบัติที่นี่เหมือนเดิมดนั้นช่วงเช้าวันนี้ทั้งกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่เราไปนั่งปฏิบัติที่นั่นเอาเปลี่ยนที่ดูบ้างนะ นายวุชายอย่าดืมหลังจากที่ทานหารเช้านะขึ้นไปดูให้หน่อยจะดีเพราะเขาจะไปอยู่ด้วยตรงไหนไปเป็นหน้ามันแฉะไปนแล้วก็เชด็ดเอาเชือไปปูเอาชนะไปปูให้กว้างขึ้นนะแต่บริเวณมันก็มีอยู่แล้วเนะี่ยมันอาจจะแคบไปเวลานั่งปฏิบัติหลายคนก็อยู่จะแคบนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติดังได้บอกแล้วเนะี่ยว่าไ ม, ไม่ว่าเราจะทําการทํางานอะไรเนี่ยสามารถที่จะปรับคือทุกอย่างไม่มีปัญหา เขาจะทำงานก็ไม่มีปัญหาแต่แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขถ้ามันไม่สงบก็ไม่มีปัญหาเพราะเราก็เจอความไม่สงบอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะมีสติได้อย่างไรนะดังนั้นในช่วงของวันนี้เราเก็บปฏิบัติอีกวันหนึ่งวันนี้วันที่เท่าไหร่ย8 2 9ิบแปดยิบเก้าสามสิบเราจะเก็บอารมณ์สองวัน เก็บอารมณ์แต่จะเก็บแบบไหนเดี๋ยวองพ่อต้องดูรูปแบบกันว่าอถนที่ที่เก็บปฏิบัติเข้มเนี่ยเราจะทําได้ที่ไหนบ้างก็พอดีว่าวันนี้พวกรถอะไรขึ้นมาปรับทางเราจะได้วันต่อไปก็จะสงบเราได้เก็บอารมณ์เข้มก็อยากจะให้วันนี้อะไรที่ยังนิวรคนไหนยังมีง่วงมีเหนืมีหลับมีฟุ้งซ่านอยู่ก็ถ้าปรับได้ให้ปรับให้เต็มที่วันนี้นะเพราะวันพรุ่งนี้ ตอนเก็บอารมณ์เนี่ยเราจะไม่ค่อยดูแลกันใกล้ชิดแล้วต่างคนต่างปฏิบัติถ้าเกิดขึ้นอะไรในช่วงนั้นเราอาจจะไม่ได้ช่วยกันไม่ได้แล้วเพราะต่างคนต่างปฏิบัติแต่ในช่วงวันนี้ที่ยังมีนิวรณ์ตกค้างอยู่มีความขี้เกียจตกค้างอยู่ความง่วงตกค้างอยู่การปิดหลับตาตกค้างอยู่แก้ไขวันนี้นะเพราะว่าในเรื่องของสุขภาพเราพยายามปรับช่วงเช้าแล้วด้วยการออกกําลังกายการาดื่มน้ํานะ แล้วก็อาหารที่เราทานที่ส่วนใหญ่เป็นอาหารเจด้วยก็ทาให้เบาสบายนะดังนั้นเองก็มนเชาวเนี้ยเราแนะกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมุมใหม่ๆของชีวิตเปลี่ยนแปลงความเคยชินเกา่เกาๆด้วยการปรับจาก 14, 13, 14ในบทที่เราถือเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงในบท ในคอร์สเนี่ยที่เราพยายามทําแต่บางคนก็เปลี่ยนแปลงไม่ครบอะ่ะสิบสามสิบสี่ก็เปลี่ยนแปลงได้แค่สามสี่ท่านอกนั้นก็ไม่อยากเปลี่ยนหันกลับมาใช้ท่าเดิมๆใช่ไหมนั้นเรียกว่าไม่ทําตามแบบแผนก็การเปลี่ยนแปลงการติ่นตัวก็ไม่เต็มที่อนะก็ลองใช้ดูท่าไหนที่เราไม่สะดวกเมื่อถนัดก็ใช้ดูให้ครบมีการอะไรพระเพรียบซ้ายพระเพรียบขวาใช่ไหม 1>, 1. พระเพียบซ้ายสองพรเบเพียบขวาสามอะไรนั่งทับโซนสี่นั่งภูเขาห้านั่งชั้นเขาหกคัศมะแบบไม่ทับขาเจ็ดคัศมะชั้นเดียวแปดคั 8, ามาสองชั้นเก้ 9, าคัศมะสามชั้นนี่ทำก็ได้ไม่ทำเราคุณทำไม่ได้สิบก็นั่งเหยียดขาสิบเอ็ดนั่งเก้าอี้สิบสอง ยืนสิบสามสิบสามเดินสิบสี่นอนเนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยลืมเลยแนะ่นอนนี่น ะ, <c oughs> <c oughs> ะย่อล้วก็มันสบายทีเนี้ย้องเปลี่ยนไปให้ครบแต่บางสถานที่มันไม่เหมาะที่จะนอนก็ย่าเพึ่งนอนเดเลยวกันอย่าง <c oughs> <c oughs> บนเจดีอยู่าไปนอนไม่ได้เดี๋ยวผีหลอกเอานะ <c oughs> <c oughs> ผีหลอกเอาบนเจดีเชถ้าไปเดินก็ไม่สะดวกก็ยืนได้อยู่นะ ที่ไหนมันแคบแล้วก็ตัดแค่จังหวะสองจังหวะนอกนั้นก็ในเจดีมันไม่มีเก้า อ, อี้ให้เราก็ไม่ต้องนั่งเก้าอี้ก็ลดลงมาจะเหลือแค่สิบก็ได้ในสิบสี่มันไม่เหมาะกับสถ า, านการณ์แคสามสี่ท่า ก, ก็ตัดไปแต่ในสถานที่กว้างขวางเอื้อเนี่ยเราก็เราก็ทำให้ครบนะแม้แต่ที่บ้านกันเออวันนี้จะปฏิบัติทักสองชั่วโมงก็ใช้สิบสี่ท่านี่แหละ อ่าถ้าละสามนาทีห้านาทีสองชัวง่วโมงรวดเลยการปฏิบัติที่ได้ผลดีคือความต่อเนื่องนะถ้าสมมุติว่าพูดถึงเรื่องแม่ไก่อีกทีหนึ่งถ้าสมมุติว่าไก่รังนี้มาถึงเวลาฟักหนะึ่งมันฟักสักวันหนึ่งแล้วไปไปหากินเสร็จสองวันกลับมาฟักใหม่ไข่รังนี้จะออกไหมเพราะอะไรเพราะมันขาดอุณหภูมิที่ต่อเนื่อง ข้าวหม้อ น, นี้จะสุกภายในสามสิบนาทีพอเสียบปลั๊กไปห้านาทีไฟดับไฟมาอีกทีหนึ่งสิบกว่านาทีข้าวหม้อ น, นี้จะสุกภายในสามสิบนาทีไหมมันก็จะเล็ดออกไปเรื่อยๆบางทีข้าวหมอ น, นั้นใช้ไม่ได้เลยนะไม่ไห ม, ไมก็แฉไม่ใช่ก็ไม่สุกไปเลยฉันใดก็ดีจิตของเราถ้าหากว่าเรานั่งปฏิบัติมันไม่ต่อเนื่องนะปฏิบัติสักพักนึงก็ลุกไปทำมันนั้น ว่าสภาพกับลูกกระทะมันไม่ต่อเนื่องถ้าเป็นม้อข้าวก็ไม่สุกถ้าเป็นแม่ไก่ก็ฟักไม่ออกเพราะมันไม่ต่อเนื่องเพราะนั้นถ้าสมมติว่าราจะนั่งบรนลังหนึ่งเนี่ยชุดหนึ่งกะว่าสักสองหนึ่งชั่วโมงต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงไหวไหมเราต่อเนื่องดูสักหนึ่งชั่วโมงไอ้สักต่อเนื่องสองชั่วโมงไหวไหมต่อเนื่องสองชั่วโมงแต่ความต่อเนื่องหมายว่าอะไมีอิริบทเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าไม่หยุดการเฝ้าดูไม่หยุดการฟูฟักและเคลื่อนไหวเท่านั้นเองเรียกว่าต่่ออเนืง ให้อุณภูมิมันอุ่นๆและร้อนขึ้นตลอดแน่นอนในช่วงที่ทําเราจะร้อนด้วยความเบื่อร้อนด้วยความห่วงล้อมความเหงาล้อมด้วยความอึดอัดขัดเคืองร้อนด้วยความหนักหนุงทวงทับในร่างกายนี่เป็นอุณภูมินะถือว่าเป็นอุณภูมินะไอความไม่สบายเหล่าเนี้ยแต่เราก็อดทนเฝ้าดูมันไปเรื่อยๆอุณภูมิเหล่านี้มันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นมันก็จะไปเผาเผาอะไรเผาอํานาจของกิเลสเผาความ พอใจเผาความไม่พอใจในขณะที่อุณหภูมิเหล่านี้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกสองแบบคือความพอใจและไม่พอใจมันก็เกิดแล้วก็เผามันทิ้งเพราะ้การที่เราต้องจํากัดจํำเกียรอริยบทและอยู่ยาวบ้างสั้นบ้างในเพื่ออะไรเพื่อให้อุณภูมิหความพอใจไม่พอใจมันสูงขึ้นอ่าอุณหภูมิของสติมันสูงขึ้นเพื่อจะได้เผาความรู้สึกสองประการนั้นนอะ อันนี้เป็นตามหลักสูตรของสติปัฐานนะไม่ใช่หมวาว่าวเองนะท่านว่าไว้ไงอาต า, ากายเยกายานุปัสสิวิหรติอาตาปีสัมปชานสติมาวินัยโยเกอภิชาโทมณิสังให้มีสติตามดูกายทั้งภายในและภายนอกด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและด้วยสติแล้วเผาวินัยยโยเกเผาความพอใจและไม่พอใจออกให้ได้ วินัยยโรกอภิชาโทมนัสอภิชาแปลว่าความพอใจโทมนัสแปลว่าความไม่พอใจอภิชาโทมนัสสังเผาความไม่พอใจเผาความพอใจออกให้ได้ความพอใจเช่นความเพลินเนี่ยเขาเขาออกความไม่พอใจเช่นความหงุดหงิดขัดเคืองความอึดอัดความเจ็บความปวดของร่างกายเนี่ยเผาออกคือแก้ไขบำบัดได้นะอันนี้คือวิธีการนะดังนั้น วันนี้เราจะย้ายที่ไปปฏิบัติข้งบุตรก็ต้องใช้บุตรที่ค่อนข้างจํากัดเราก็จะต้องเกิดความรู้สึกสองประการเนี่ยคือความสบายและไม่สบายในร่างกายด้านจิตใจก็เกิดความพอใจและไม่พอใจเราจะสลัดออกเผาออกให้ได้ด้วยการทําความเพียรอย่างต่อเนื่องเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโม ง, ช, งช่วงเช้าก็ได้แค่อย่างมากก็สองชั่วโมงครึ่ง นนมีสองชั่วโมงจากแปดโมงถึงสิบโมงมิสีองค์เขาเป็นสามชั่วโมงนะแต่ว่าเรานัดกันกวจะได้กวจะพร้อมกันนู้นก็แปดมงครึ่งเก้าโมงแต่ปฏิบัติได้จริงๆเก้าโมงถึงสี่โมงแค่สองชั่วโมงอแปดโมงถึงเก้าโมงก็นั้นบางนู้นนี่บางกวจะพร้อมนะนั้นในช่วงเช้าวันนี้เราคุยกันไว้แค่นี้นะที่เวลาที่เหลือนี่ห้านาทีเราจะเดินจงกลมร่วมกันอีกรอบหนึ่ง เราขยับก้นอี้ที่เรานั่งไปติดกับผ้าใบกำแพงในตำแหน่งเดิมเพื่อเราจะได้มานั่งอีก